วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทาบุญทำทาน มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันให้ทราบว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโรคไข้หวัดใหญ่โควิดสิบเกระบาดในประเทศไทยยึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกัน รับการแพร่ขยายของโรคระบาดนี้ด้วยการยุติการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องมาทำร่วมกันจึงของดการทำกิจกรรมต่างๆที่เคยทำกันบนเขาชีโนี้ คือการมาฟังเทศฟังธรรมมาทาบุญทำทานมาปฏิบัติธรรมไว้ชั่วคราวก่อนเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2563เพื่อความปลอดภัยถ้าเรา รีบทำกันตั้งแต่ตอนนี้ปัญหาก็จะไม่แพร่กระจายปัญหาก็อาจจะยุติลงได้อย่างรวดเร็วถ้าเราไม่ทำอะไรกันโอกาสที่ปัญหานี้จะบานปลายก็จะเป็นไปได้ฉะนั้นการดับไฟเสียแต่ตอนลมนี้ง่ายกว่า รอไปดับตอนที่ไฟมันขยายเป็นวงกว้างไปแล้วดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงยุติการมาที่บนข่าวนี้ไว้เป็นการชั่วข่าวก่อนตั้งแต่วันจันทร์ที่ยี่สิบสามมานนี้ไปแต่ก็ยังมีการที่จะโพสธรรมะต่างๆ ในเพจของ Facebook อยู่ต่อไปน่าจะเอาทมที่ได้แสดงไว้นั้นของเก่าเอามาโพสใหม่ให้ท่านได้ดูได้ชมทุกวันเหมือนกับการดูการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมแล้วก็ธรรมะนี่ก็เป็นอากาลิโก คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันที่เวลาที่ได้แสดงธรรมเอาไว้ธรรมะนี้เป็นธรรมแบบสดส ด, สดร้อนๆอนทุกครั้งที่เราได้ดูได้ฟังก็เหมือนได้ดูสดเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกคือมีประสิทธภาพตลอดเวลา ไม่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามการตามเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วเมื่อเอามาแสดงในวันนี้ก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนในวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทุกประการสามารถเอาไปใช้ดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติธรรมให้หมดสิ้นไปได้จึงไม่ต้องกังวลว่าเป็นธรรมเก่าธรรมที่หมดอายุแล้วธรรมะนี้ไม่มีวันหมดอายุไม่เหมือนกับของที่เราบริโภคกันที่จะต้องมีวันหมดอายุแต่ธรรมะนี้เป็นของประเสริฐ เป็นของที่อยู่เนื้อการเวลาไม่เสื่อมไปตับการเวลาเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมทุกยุคทุกสมัยคือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วที่พร้อมที่จะไปดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้อยู่ที่สัตว์โลก ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดว่าจะพร้อมที่จะน้อมนำเอาธรรมอันประเสริฐนี้เข้าไปกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้หรือเปล่าเท่านั้นเองธรรมะนี้พร้อมทําหน้าที่ทุกเวลาอยู่ที่ผู้ที่ปฏิบัติว่าพร้อม ที่จะน้อมเอาธรรมนั้นเข้าไปในใจของตนได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าน้อมเอาเข้าไปได้ธรรมะก็จะทาหน้าที่กาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้จึงมีจึงปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทุกยุคทุกสมัย จนถึงยุคปัจจุบันนี้โลกของพวกเรายังไม่ขาดพระอาหารหันยังมีพระอาหารหันต์อยู่เรื่อยๆเพราะตราบใดถ้ายังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีพระอาหารหันต์อยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆ ดังนั้นขอให้พวกเรามีความมั่นใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นอาการลิโกไม่ได้เสื่อมได้ไม่ได้หมดคุณภาพไปตามการตามเวลาฟังธรรมได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ร่วงรับไปแล้วเวลาฟังก็เหมือนกับฟังสดสดร้อนๆ น, นั่นเอง ยิ่งสมัยนี้มีสื่อกับการบันทึกแบบสดส ด, สดร้อนๆเวลาเอามาเปิดมาฟังมาดูก็เหมือนได้ดูของสดส ด, สดร้อนๆ ท, ทันทันทีขอให้ผู้ปฏิบัติให้มีความยินดีในธรรมยินดีที่จะศึกษายินดีที่จะปฏิบัติ ถ้ามีความยินดีที่จะศึกษามีความยินดีที่ปฏิบัติแล้วการบรรลุ ธ, ธรรมขั้นต่างๆก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือผู้รองเรือนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนใหญ่โตหรือไม่คนใหญ่โตสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทุกคนถ้าปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสปปนนุปฏิปันโนปฏิบัติดี ถ้าเป็นนักเรียนก็ได้เกรดสี่คือปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยนี่ก็ปฏิบัตดิดีอุชุ ป, ปฏิปนโนปฏิบัติตรงตามคําสั่งคําสอนทุกประการพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติตามสอนให้ปฏิบัติทานก็ปฏิบัติถ้ามีเงินทองก็ทําบุญทําทานไป สอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลสอนให้ฝึกสมาธิก็ฝึกสมาธิสอนให้เจริญปัญญาก็เจริญปัญญาคือทําครบทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เลือกปฏิบัติว่าทําข้อนี้ยากขอเลื่อนไว้ก่อนขอไปปฏิบัติทำอีกข้อนึงก่อน ถ้าเลือกปฏิบัติแล้วมักจะไม่ได้ผลเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่ตรงกับเหตุผลตรงไปตรงมาผู้ปฏิบัติจะซิกแซกไม่ได้้่งปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปทำทานแล้วก็รักษาศีลรักษาศีลแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิ จรียสมาธิได้สมาธิแล้วก็จะเริญนปัญญาตามลำดับต่อไปแล้ววิมุตติคือมรรคผลนิพพานก็จะไปผลที่ปรากฏขึ้นมาตามลำดับเรียกว่าอุชุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติตามตรงตามคำสั่งคำสอนยายาปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่านั้น เปาหมายของการปฏิบัตินี้ต้องการดับทุกในใจของผู้ปฏิบัติไม่ได้ให้ผู้ปฏิบัตินี้เป็นผู้วิเศษมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศมีตาทิพหูทิพลืมความสามารถอะไรต่างๆหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากโลกได้ได้ลาบได้สักการะอะไรต่างๆ อันนี้ไม่ได้เป็นยายาปฏิปันโนเป้าหมายของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนอยู่ที่การหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การเจริญทางลาบสการะต่างๆเช่นได้เป็นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นให้มียศนั้นยศนี้ชั้นนั้นชั้นนี้ หรือได้รับการรับรางวัลต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเพราะผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นหล่งของความทุกข์ผู้ที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดเท่านั้น เป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จึงไม่ได้ต้องการอะไรไม่ต้องการลราบส ก, การะจากใครไม่ต้องการยศไม่ต้องการตำแหน่งจากใครต้องการเพียงดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปนี่เรียกว่ายายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ปฏิบัติผิดถึงแม้จะปฏิบัติครบแต่ถ้าปฏิบัติผิดก็ก็ไปไม่ได้เช่นสมาธิก็มีสัมมาสมาธิถ้าไปได้มิจฉาสมาธิก็ก็ถือว่าปฏิบัติผิดมิจฉาสมาธิก็คือการไปติดอยู่กับอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ อันนี้ไม่ใช่ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นทางที่จะทำให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือการปฏิบัติสี่ประการด้วยกันที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนวูชุ ป, ปฏิปันโนยายะ ป, ปฏิปันโน สามีจิตปฏิปโนที่ผู้ศึกษาจำเป็นที่จะต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้ได้การศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ทำให้เกิดการบรรลุผลถึงทำขั้นต่างๆได้และการศึกษา ไม่ได้ศึกษาเพื่อน้อมเพื่อเอาไปสอนผู้อื่นซึ่งมักจะมีเกิดขึ้นในวงการของพุทธศาสนาอยู่เรื่อยๆผู้ที่ได้ศึกษาแล้วก็คิดว่าตอนรู้ทมแล้วแล้วก็เลยเอาทมที่ตนเองได้ศึกษาไปสอนผู้อื่นต่ออันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นครูอาจารย์ที่แท้จริง พรยังไม่ได้พิสูจน์คำสอนที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนว่าสามารถทำให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ต้องเอาไปพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติสอนว่าธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนเช่นการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญา ทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนั้นดับไปได้อย่างไรแลนะดับไปแบบไหนแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรนถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิจะไม่รู้อย่าไม่รู้ความสำคัญของทมแต่ละขั้นว่ามีความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างไรบ้างยิงต้องนำเอาไปปฏิบัติอย่าศึกษาเพียงอย่างเดียว แล้วก็คิดว่าบรรลุแล้วจากการศึกษาการบรรลุ ด, ด้วยความคิดนี้ไม่ถือว่าเป็นการบรรลุที่แท้จริงเพราะความคิดนี้ดับความทุกข์ดับกิเลสไม่ได้ถึงแม้จะเข้าใจทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นมรรคแปดมีอะไรบ้างอริยสัจ ส, สีมีอะไรบ้างไตรลักษณ์มีอะไรบ้างก็าตาม แต่เป็นความคิดความเข้าใจทางความคิดเนี่ยยังไม่ได้เป็นความเห็นตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นในใจต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเข้าไปเห็นตัวจริงของธรรมะได้การเรียนนี่เป็นเหมือนกับการเรียนชื่อของตัวธรรมะ ตัวกิเลสต่างๆตัวโลกตัวโกดตัวหลงว่าเป็นอย่างไรตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเป็นอย่างไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นเพียงแต่การเรียนชื่อเรียนคุณลักษณะแต่ยังไม่ได้ไปพบกับตัวจริงของจริงต้องไปปฏิบัติถึงจะได้เจอของจริงตัวจริงแล้วจะได้กําจัดตัวที่เป็น ทุกได้ตัวทุกจริงๆนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือที่เราอ่านกันไม่ได้อยู่ในธรรมะที่เราฟังกันตัวทุกจริงๆมันอยู่ในใจของเราเช่นตอนนี้ใจของเราทุกันไ้ยเราทุกกังวลกับเรื่องโรคระบาดใช่ไหมแล้วเราดับความทุกข์ความกังวลของ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดนี้ได้หรื อ, อยังถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงเป้านั่นเองถึง แ, แม้เราจะมาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่อย่างต่อเนื่องรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราที่ทำให้ใจเราทุกข์กันตอนนี้เราทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหม เพราะอะไรเราถึงทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะความอยากของเรานั่นแหละความอยากไม่ให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บกันอยากไม่ให้ติดเชื้อโรคหวัดกันจึงทําให้เราวิตกทําาให้เรกังวลหวาดกลัวกันอถ้าเราปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าเราบรรลุธรรมความวิตกกังวลความหวาดกลัวความทุกข์ที่เกิดจากโรคภยัย จากโลกระบาดนี้จะไม่เกิดขึ้นในใจอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอนถ้าเกิดขึ้นก็แสดงว่ายังบรรลุยังไม่บรรลุธรรมขั้นนั้นคือธรรมขั้นที่ทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้คือขั้นของพระโสดาบันนี่ตอนนี้อยากเป็นโสดาบันกันเยอะแยะไปหมดใช่ั้ยเนี่ยถึงเวลามีโอกาสนะมีโอกาสพิสูจน์ว่า จะบรรลุเป็นโสดาบันได้หรือไม่อ่อยวางร่างกายได้หรือไม่ยอมให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่ยอมให้มันตายได้หรือไม่อันนั้นหละพระโสดาบันท่านทำได้พระโสดาบันท่านจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายร่างกายเจ็บแต่ใจท่านไม่เจ็บนะร่างกายเป็นไข้ร่างกายป่วยไปทั่วสพางกาย ร่างกายมีอาการหืดหอบหายใจไม่ออกอะไรต่างๆนี้เกิดขึ้นได้กับร่างกายของทุกคนของพระโสดาบันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพียงแต่ใจของพระโสดาบันนี้ต่างจากใจของปุตุชนใจของพระโสดาบันไม่เดือดร้อนไม่มีความรู้สึกหวาดวิตกหวาดกลัว รู้สึกเฉยๆมีอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับโรกหวัดแต่ก็ไม่ประมาททำหน้าที่ที่พึงกระทำได้ป้องกันได้ก็ป้องกันไปใส่หน้ากากไปเช็ดมือล้างมือกันไปเด็กเลี้ยงที่ชุมชนตีกวิเวกัน ไม่ครุกคีกันก็ทำได้ไม่ได้ว่ากลัวแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแค่โสดาบันนี้ยังต้องปฏิบัติทำขั้นต่อไปอยู่แล้วถ้ามาสูญเสียร่างกายไปก็ต้องกลับมาต่อใหม่เหมือนกับหนังขาดสมัยก่อนหนังเป็นฟิล์มเนี่ยพอดูหนังดีๆขาดปุ๊บเนี่ยหมดอารมณ์ ต้องรอให้เขามาต่อหนังใหม่นอค่อยถึงจะดูต่อได้อันนี้ก็เหมือนการร่างกายก็เป็นเหมือนหนังเนี่ยที่พระโสดาบันยังต้องใช้เพื่อที่จะปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปคือขั้นจากขึ้นจากโสดาบันก็ขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีอาณาคามีและขั้นพะระอรหันต์ถ้าร่างกายตายไปในตอนนี้ ก็ต้องรอให้กลับมาเกิดใหม่แล้วถึงมาปฏิบัติธรรมต่อได้นี่คือเรื่องของวิกฤตที่เราสามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้มีคนชอบถามเรื่องการเป็นโสดาบันเป็นอย่างไรตอนนี้แหละเป็นวินเป็นเวลาที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า การจะเป็นพระสุวดาบันนี่เป็นได้อย่างไร เ, ออเมื่อก่อนมันไม่มีเหตุการณ์มาไม่มีข้อสอบให้เราทดสอบจิตใจตอนนี้มีข้อสอบแล้ว เ, ออเป็นไฟเป็นถ้าเป็นนักมวยก็เป็นเป็นไฟบังคับแล้ว จะมาเลื่อนไม่ได้นะจะบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนรอให้เวลาแก่ก่อนแล้วค่อยเจ็บแล้วค่อยมาปล่อยวางร่างกายมาทำข้อสอบในตอนนั้นตอนนี้ถูกบังคับแนละ้วนักมวยเขาไม่ต้องการให้ของแชมป์นานๆเพราะมีคนอื่นอยากจะได้แชมป์เขาเลยต้องมีไฟบังคับถึงเวลาต้องต้อง ต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ไม่ใช่ขออยู่เฉยๆเป็นแชมป์ไปนานๆานก่อนอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้แหละเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่อยากจะรู้ว่าตนเองเป็นพระสุดาบัญหรือไม่จะได้พิสูจน์ได้รู้กันในตอนนี้ว่าใจเราเฉยหรือไม่เฉยในตอนนี้หรือว่าใจเราเครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับ อย่างนี้ก็ไม่ใช่โสดาบันนะเขาเรียกโสดามีโสดาบันกับโสดาวพวกโสดาก็คือพวกเดากันคาดกันเ อ, นเอ่ยตอนนี้เราบรรลุโสดาบันหรือยังเราเป็นโสดาบันหรือยังเป็นนะน่าจะเป็นนะอย่างนี้เรียกว่าพวกโสดา โลกโสดาบันนี้เขารู้เป็นเพราะทำเป็นสันติิโกเอที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์รู้ได้ด้วยตนเองว่าตนเองนั้นได้บรรลุธรรมขั้นไหนตอนนี้มีเพราะมีข้อสอบของแต่ละขั้นให้เป็นให้ผู้ปฏิบัติได้กระทํากันว่าผ่านได้หรือผ่านไม่ได้เอขั้นของพระโสดาบันนี้ก็คือปล่อยวางขันห้าได้หรือไม่เอ ปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้หรือไม่รูปก็คือร่างกายปล่อยให้ร่างกายแก่ได้หรือไม่ปล่อยให้ร่างกายตายได้หรือไม่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกนี่นึกคิดเกี่ยวกับเวทนานี่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ว่าเป็นอนัตตาความเจยบ่ายได้ป่วยเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนร่างกายไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีเราไม่ได้เป็นของเราเวทนาก็ไม่ได้เป็นของเราเราไปสั่งให้เวทนาสุขไม่ได้เวลาที่มันทุกไปสั่งให้เวทนาหายไปไม่ได้เวลาที่มันทุกเนี่ย เราต้องอยู่กับมันได้หรือไม่อยู่แบบไม่ทุกข์ได้หรือไม่อยู่ดูตรงนั้นนะ่ะเวลาเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเวลาเกิดความรู้สึกว่าจะตายนี่ใจเป็นอย่างไรใจถ้าเฉยไม่รู้สึกเดือดร้อนเหมือนตอนที่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าใจได้ผ่านได้เป็นโสดาบันนะ แต่ถ้ายังวิตกกังวลยังหวาดกลัวเอยังทุกยังวุ่นวายใจอยู่บางคนได้เห็นตรวจปอุณหภูมิทุกวันเลยวันนี้ต้องเช็คอุณหภูมิตื่นขึ้นมาก็เช็คอุณหภูมิเอตอตนนี้กี่องศาแล้วพอเป็นปกติก็บเออโล่งใจไปลาตายไปกวันถ้่อย่างนี้ยังไม่เป็นโสดานน ถ้าโนดาแล้วจะลูกเจ็บเฉยๆอุณหภูมิขึ้นหรือลงก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของดินฟ้าอากาศมันก็มีการขึ้นลงของอุณหภูมินอุณหภูมิภายนอกมันก็มีขึ้นนี่ลงแตวันนี้31 32เมื่อสองเดือนก่อนก็ไม่ถึง30 28 29เนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย อุณหภูมิของร่างกายเราเวลาเป็นไข้ก็ขึ้นสูง40องศาถ้าปกติก็36เราก็ไปสั่งมันไม่ได้ใช่ไหมว่าให้อยู่36เนะีเหมือนเหมือนเครื่องปรับอากาศนี้ยังสั่งได้อยู่เครื่องปรับอากาศเขามีที่กดว่าจะต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่เราตั้งกดได้ต้องการ27 25เขากดตั้งไปได้ แต่อุณภูมิทางร่างกายนี้เราสั่งไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้เราต้องทําใจให้ได้เราต้องยอมรับกับความเป็นจริงของขันห้าว่าร่างกายมันอนิจจ์ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บและความตายไปตามลําดับไม่มีใครไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละตอนนี้เราทุกข์กันเห็นชัดชแล้วใช่ไหมว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะไม่อยากให้มันตายแต่เราห้ามมันได้ไหมห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่าป้องกันได้ตอนนี้เราพยายามป้องกันกันแต่ถ้ามัน สามารถเข้ามาในร่างกายเราได้เราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันเข้ามาแล้วใจเราเป็นยังไงถ้าใจเรามีปัญญามีเห็นตายรักณในขันห้าเห็นว่ารูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเห็นเป็นอนัตตาไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เในตอนนี้ลมกําลังพัดเราไปสั่งให้เขาหยุดไม่ได้เวลาเขาไม่พัดไปสั่งให้เขาพัดก็ไม่ได้ไม่เหมือนพัดลมที่เราติดในบ้านที่เราสั่งได้แต่ดินฟ้าอากาศหรือร่างกายที่มีธาตุสีดินน้ำลมไฟเราก็สั่งเขาไม่ได้เขาก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบางทีเขาก็ อุณหภูมิก็ขึ้นสูงบางทีอุณหภูมิก็ลงต่ำเราก็คอยดูแลได้ในระดับหนึ่งบางทีเราก็รู้ว่าอะไรทำให้มันขึ้นเราก็ลดมันได้เช่นกินยาลดไข้อะไรไปทำไปเท่าที่เราทำได้แต่ข้อสำคัญขอให้ใจเราอย่าไปวุ่นวายไปกับมัน ถ้าเราวุ่นวายสแสดงว่าเรายังมีความอยากในร่างกายในความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่คืออยากไม่ให้มันเจ็บอยากไม่ให้มันตายเราก็ยังจะมีอาการรู้สึกไม่สบายอกสมายใจอยู่แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ ไม่มีใครหนีพ้นความเจ็บความตายได้ถ้ายอมเจ็บยอมตายแล้วใจจะปล่อยทันทีพอปล่อยแล้วใจจะรู้สึกโล่งเบาสบายเย็นไม่เครียดไม่วิตกไม่กังวลนะเพราะว่าเนี่ยใช้ปัญญามาหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ ก็จะรู้ภายในใจเองผู้ปฏิบัตินีนว่าตนเองได้บรรลุหรือหรืออย่างได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในเรื่องนี้ได้หรืออย่างมันเห็นชัดๆเหมือนกับการรับประทานอาหารเวลาหิวกับเวลาอิ่มนี่เห็นได้ชัดๆว่ามันมีความรู้สึกต่างกันเวลาหิวข้าวก็รับประทานข้าวไปรับประทานไปสักระยะหนึ่ง ความหิวที่มีอยู่ก็หายไปความอิ่มที่ไม่มีก็เข้ามาแทนที่เนี่ยการปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงไม่จําเป็นจะต้องไปถามใครว่าเราบรรลุหรื อ, อยังเราหมดทุกข์หรื อ, อยังมันรู้อยู่แก่ใจว่ายังทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็ต้องปฏิบัติต่อไปต้องค้นหาสาเหตุของความทุกข์ เช่นพอบรรลุเป็นพระโสดาบันนะปัญหาเรื่องของร่างกายเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความตายนี้มันจะไม่เกิดเีงล่ะ mm hmm. เจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายมันก็รู้สึกเฉยเฉยมันไม่ทุกข์แต่มันไปทุกข์กับเรื่องอื่นที่ยังไม่ได้รับการกำจัดพระโสดาบันยังไม่ได้รับยังไม่ได้กำจัดความทุกข์ที่เกิดจาก ความอยากมีแฟนยังอยากมีแฟนยังอยากหาความสุขกับแฟนอยู่เอเวลาไม่ได้อยู่กับแฟนก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวี่อยู่วิธีที่จะแก้ความอยากมีแฟนก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของแฟนดูส่วนของร่างกายของแฟนที่ไม่ไม่น่าดูดน่าชมก็จะทําให้ความ รักในตัวแฟนนี่หายไปได้ถ้าเห็นแฟนตอนที่แฟนตายอย่างนี้เห็นร่างกายของแฟนตอนที่ร่างกายของแฟนตายไปถ้าตายไปแล้วรักกันยังไงก็ไม่เก็บไว้ในบ้านแล้วลอะมอบให้สับปเลเรได้ไม่หวงอีกต่อไปแต่ถ้าตอนช่วงที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่ใครมาคุยกับแฟนตอนหน่อยนี้เราจะเริ่มรู้สึก วิตกขึ้นมาแล้วเอ๊ะเขาจะมาจีบแฟนเราหรือเปล่าเขาจะมาย่างแฟนเราหรือเปล่าเลยแต่พอแฟนไม่หายใจเท่านั้นน่ะใครจะมาคุยกับเขาไม่สนใจแล้วยกให้เลยอยากได้เขาเลยเอาไปเล ย, เยให้ฟฟีๆแถมเงินด้วยบางทีแถมค่ารถให้ด้วยค่าบรรทุก เ, เวลาจะเอาศพออกจากบ้านก็ต้องมีค่าใช้ใจ่าย เราพิจารณาร่างกายตอนที่มันตายเรียกว่าพิจารณาซากศพถามตัวเราเองว่าคนที่เรารักคนเนี้ที่เราชอบนี้ถ้าเขาหมดลมหายใจแล้วเรายังอยากจะอยู่กับยังอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปหรือเปล่าหรือเราบอกไม่เอาแล้วเพราะรู้ว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ส่งกลิ่นเหม็นแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องขึ้นเอิดเดี๋ยวก็ต้องบอก บอบช้ำดำเขียวผุพองขึ้นมาแล้วก็มีน้ำอะไรต่างๆไหลออกมามีเก่นไม่พึงปรานาไหลออกมาต้องมองอย่างนี้มันถึงจะกำรรจัดกา ร, รมาราคะได้ความอยากเสพกา ร, รในร่างกายของผู้อื่นของคนที่เรารักหร่อชอบเพราะเราไปเห็นในช่วงที่เขาหน้าดูหน้าชมน่ารักนั่นเอง พอเวลาเขาออกมาข้างนอกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน เขาต้องล้างหน้าล้างตาแปรงฟันกออำจัดสิ่งสิ่งสกปกต่างๆในร่างกายกำจัดส่วนที่เป็นส่งกลิ่นเหม็นก่อนถึงจะออกมาเสนอตัวเองต่อสาธารณชนไดเออ้เขาไม่ออกมาแบบพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็ออกมาแบบนั้นใส่ชุดนอนออกมาผมเผ้าไม่หวีหน้าตาไม่ล้างขี้ตาติดเต็มหน้าเขาไม่ออกมาตอนนั้นเนี่ย าาออตอนออกมาตอนตอนนั้นก็ไม่มีใครรักใครชอบก่อนแล้วเขายังอยากให้คนอื่นรักให้เขาชอบอยู่เขาก็เลยต้องปุงแต่งเขาเรียกว่าจัดฉากมีการเสริมความงามต่างๆของร่างกายให้มันดูแล้วน่ารักน่าชมน่าใคร่ขึ้นมานั่นเองดังั้นเราต้องย้อนสอนเราต้องมองกลับไปตอนที่เขาเพิ่งตื่นขึ้นมา ดอดูตอนที่เขาไม่สบายไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยบางดูแล้วมันเหมือนคนละคนนะตอนที่ไม่ตอนที่สบายกับตอนที่ไม่สบายนี้เหมือนเป็นคนละคนไป เ, เราต้องมองในส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมแล้วมันจะได้ไม่ทำให้เราเกิดความลักความไข้ขึ้นมานพอมันเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายไป มันก็จะดับความรักความใคร่ได้ดับการมารมการมาราคาได้อันนี้เป็นปัญหาที่พระโสดาบันยังแก้ไม่ได้ก็จะต้องพยายามทำไปเบื้องต้นก็อาจจะทำแบบล้มลุกคุกคานพิจารณาได้บ้างพิจารณาไม่ได้บ้างบางเวลาเวลาใดที่พิจารณาได้เวลานั้นกามารมก็ดับไปเวลาที่ยังพิจารณาไม่ได้ การมาลมก็ยังจะมาสร้างความาหงุดหงิดสร้างความลำคาญใจสร้างความเหงาสร้างความว่าเวให้กับใจได้อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นขั้นของภาะสกิดาคามีภาสกิดาคามีนี้จะลดความไข่ลงได้ทำให้กามาลมเบาบางลงแต่ยังไม่ได้ทำให้หมดสิ้นไป เพราะยังไม่เจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องบางเวลายังเผลอไปคิดถึงส่วนที่สวยที่งามของร่างกายอยู่ก็เกิดการมารมขึ้นมาพอมีสติตามทันก็ดับมันได้แต่ก็ยังค่มมันไม่ได้ตลอดเวลาเพราะยังไม่ได้เจริญอัศวะไม่ได้พิจารณาความไม่สวยงามตลอดเวลาบางทียังเผลอปล่อยให้ไปคิด ในส่วนที่สวยงามของร่างกายอยู่ก็ต้องพยายามพิจารณาต่อไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆทุกครั้งเห็นร่างกายของไทยก็ตามของตนของผู้อื่นก็ให้เห็นว่ามันเป็นอสุภะอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกเวลานาทีถ้าสามารถเห็นร่างกายของคนอื่นเป็นอสุภะได้ทุกเวลานาทีแล้วทีนี้การอารมณ์ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกต่อไป การมาลลมก็จะถูกกำจัดได้อย่างหมดสิ้นไปเพราะทุกครั้งที่จะมองคนว่าสวยงามอสุภาษมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีถ้าอสุภาษมันถูกฝังอยู่ในใจแล้วนี้มันจะมาต้านอกิเลส ท, ที่จะไปมองว่าร่างกายว่าคนนั้นสวยคนนั้นงามพอว่าสวยว่างามก็มองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลย มันสวยที่ตรงไหนวะกระดูกสวยหรือเอหัวใจสวยหรือตับสวยหรือไตสวยหรือลำไส้สวยอมันจะมองเข้าไปทันทีถ้าผู้ชํานาญในการพิจารณาอาสุภาแล้วเนี่ยสุภาษมีหลายมีหลายส่วนหลายมิติด้วยกันดูอาการสามสิบสองดูอาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังนี่ก็เป็นอสุภาอย่างหนึ่งเรามองไม่เห็น ส่วนต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังพราะผิวหนังมันห่อคุ้มมาไวแต่พอเราใช้ปัญญาเนีผิวหนังนี่มันไม่สามารถกั้นปัญญาได้ปัญญาก็จะเห็นภาพของโครงกระดูกเห็นภาพของอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆที่มีอยู่ในอยู่ภายในของร่างกายมันก็จะทำให้การมารลมดับทันที พอทำให้การมาลมดับแบบไม่มีวันโผล่ขึ้นมาอีกต่อไปก็เรียกว่าได้บรรลุขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีได้ละสังโยชน์ห้าตัวสังโยสังโยชน์สามตัวแรกพระโสดาบันละได้คือวิจิตกิจฉาสักกายทิทิวิจิตกิจฉาศีลพัตปรมาก แล้วพระสกิรดาคามีก็มาเพิ่มอีกสองตัวทำอีกสองตัวคือการมราคะกับปฏิฆะความหงุดหงิดให้เบาบางลงแต่ยังไม่หมดนะพอพระอนาคามีก็ทำให้ปฏิฆะการมราคะหมดไปก็ถือว่าได้ละสังโยชนห้าตัวเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชนนี้แบ่งไว้สอง สระดับระดับต่ำกับระดับสูงยังมีสังโยชน์อีกหตัวคือระดับสูงสังโยชน์ระดับสูงนี้มีอะไรมีอรูปราคะความยินดีในรูปฌานอารู ป, ปราคะความยินดีในอรูปฌานมานะการถือตัว อ, อุทธจัจจะความฟุ้งซ่านอาวิชช า, าความ หลงเหลือความที่ยังไม่ยังไม่เห็นอริยสัจ ท, ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในจิต เ, เห็นอริยสัจในขันหน้าในร่างกายเห็น อ, อริยสัจแต่ยังไม่เห็นอริยสัจในในในจิตยังมีความรักความชอบอในความรู้สึกนึกคิดอยู่เออยังชอบอารมณ์ ยังรัดอารมณ์ยังอยากได้อารมณ์ดีๆภายในจิตดูปราคะก็ติดรูปปัจจานพอไม่ได้เสพร่างกายพอปล่อยวางร่างกายได้ก็ไปเสพรูปปัจจานแทนเพราะต้องใช้รูปปัจจานในการปล่อยวางอสังโยชน์เรื่องต่ําำ ผู้ที่จะละสังโยชน์เรื่องต่านี้ได้ต้องได้เข้าฌานได้ก่อนได้รูปฌปานหรืออรูปฌานก่อนเพราะจะได้ใช้รูปฌานหรืออรูปฌานนี้เป็นเครื่องอยู่แทนการใช้ร่างกายเป็นเครื่องอยู่แทนที่จะใช้ร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็เปลี่ยนมาใช้ รูปประจานะรือรูปประจานที่ได้จากการเจริญสติเพอ เ, อเริกเสพกามได้เริกเสพรูปเสียงกลิ่นลดทุตภะได้ก็เลยมาติดรูปประจานะรูปประจานรูปประจานะรูปประจานก็เป็นเหมือนร่างกายคือเป็นไตรักไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมถ้าไปติดมันก็เหมือนติดรูปเสียงกลิ่นลด เวลาได้เสพรูปเสียงกลิ่นแล้วก็มีความสุขเวลาไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาวิธีที่จะทําให้ไม่ติดไม่ทุกข์กับรูปประจานอารูปประจานก็คือต้องไม่เสบมันเวลาอยากเข้ารูปประจานก็ไม่เข้าเวลาอยากเข้าอารูปประจานก็ไม่เข้าให้อยู่กับความเฉยๆของใจ ให้หยุดให้ฝืนความอยากเสพพอพอฝืนความอยากได้ด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าถ้าไปเสพก็จะติดติดก็ยังจะไม่หลุดก็จะต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปถ้าไม่เสพไม่ติดต่อไปความอยากเสพมันจะหลุดมันจะหยุดมันจะหายไปแล้วใจก็เป็นเหมือนคนที่หลุด จากการติดบุหรีติดสุราติดผู้หญิงติดผู้ชายเนี่ยต้องเลิกความอยากไม่ทําตามความอยากเพราะเห็นโทษว่าการไปทําตามความอยากต้องพาไปสู่ความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งที่เราเสษเราติดนี้มันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ทำให้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นอนัตตามันต้องเสื่อม มีมันจะแลนแล้วเดี๋ยวมันต้องเสื่อมสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้พะไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นรูปประชานหรือรูปประชานเป็นตายรับเหมือนกันถ้าไปเสพแล้วมันจะติดแล้วจะทุกเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่ไม่ได้เสพ ถ้าไม่ไปเสพไม่ไปติดมันก็จะไม่ทุกข์มันจะเจริญหรือจะเสื่อมมันก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับจิตใจของผู้ไม่เสพอีกต่อไปเหมือนผู้ที่ไม่ไม่เสพสุราไม่เสพบุหรี่เวลาไม่มีสุราไม่มีบุหรี่เสพก็ไม่เดือดร้อนแต่ผู้ที่ยังเสพสุรายังเสพบุหรี่อยู่เวลาที่ไม่ได้เสพมันจะเดือดร้อนน พิจารณาด้วยายรักก็จะปล่อยรูปราคะได้อรูปราคะไ ด, าาได้ส่วนส่วนมานะก็คือการถือตัวถือว่าเราสูงกว่าเขาบ้างต่ำกว่าเขาบ้างเท่าเขาบ้างอันนี้ก็เป็นความคิดเฉยๆนั่นเความจริงเราเป็นเท่ากันหมดเราเป็นเหมือนกันหมดเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นจิตวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในไตรภพเนี่ย แล้วก็อาศัยบุญบาปที่ทำให้เราสูงทำให้เราต่ำคนทำบุญก็จะเป็นได้สูงคนทำบาปก็จะได้ต่ำเลยได้เกิดในที่สูงเกิดในที่ต่ำาแต่นั้นเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองความจริงแล้วจิตก็เป็นจิตเหมือนกันทุกคนไม่มีจิตไหนของใครสูงกว่ากันต่ำกว่ากันเพราะจิตไม่มีอัตราตัวตน ตัวที่เป็นอัตตาตัวตวนคือเกิดจากความรู้สึกนึกคิดนั่นเองคือสังขารสัญญาปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาก็จะรู้ทันรู้ว่าเป็นมายาเป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของจริงแต่ก็ไม่ปฏิเสธเมื่อยังอยู่ในโลกของมายาอยู่ก็ไม่ไปลบหลู่ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่รู้ทันแต่ไม่ลบหลู่ รู้ว่าเป็นสมมุติเนี่ยเราสมมติว่าให้เราเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เป็นคนดีเป็นคนชั่วเพราะว่าก็เขาลบกฎของสมมุติไปแต่รู้ว่าความจริงการที่เป็นตัวตนเหล่านี้เป็นเหมือนตัวตัวละครอย่างหนึ่งผู้ที่แสดงละครนี้ไม่ได้เป็นไปตามตัวละครผู้ที่เป็น ตัวแสดงก็คือจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันทุกคนก็จะไม่ไปถือถือตัวว่าใหญ่กว่าคนนั้นต่ำกว่าคนนี้หรือเท่าคนนั้นแต่รู้อยู่ภายในใจแต่ไม่แสดงออกมาทางภายนอกทางภายนอกก็ต้องว่าไปตามกฎของสมมุติเขาเขาเป็นพี่ก็ต้องเขาลบเขาเขาเป็นน้องก็เอ็นดูเขาไปตามฐานะของสมมติไป แต่จะไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีใครถ้าเป็นพี่แล้วเขาไม่มาเคารพเราก็ไม่เดือดร้อนเขาไม่อยากเคารพเราก็ไม่เป็นไรเพราะเรากับเขาก็ไม่ต้องเคารพกันอยู่แล้วที่เคารพกันก็เคารพที่สมมุตินั่นเองเขาเป็นน้องเขาก็ต้องเคารพพี่แต่เขาไม่เคารพพี่ก็เป็นเรื่องของเขาเขาเป็นลูกไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่ก็เป็นเรื่องของเขาก่อนที่รู้ทันสมมติแล้วจะไม่ทุกข์ ในฐานะของตนเป็นใหญ่เป็นโตไม่มีใครเข้าให้เกียรติก็ไม่ทุกเนยเป็นหัวหน้าสั่งลูกน้องมันไม่ฟังก็ไม่ทุกมันไม่ฟังก็เรื่องของมันเราปลดมันได้ก็ปลดมันไปเปลี่ยนมันได้ก็เปลี่ยนไปแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพราะเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะขารบเราชอบเราชังเรานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ใจจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่อง ของสมมุติต่างๆละอัลอะมานะการถือตัวได้ละอัตตาตัวตนได้หรือว่าอัตตาตัวตนนี้เป็นสมมุติเป็นมายาเป็นของปลอมของจริงนี้เป็นแต่ผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองเป็นจิตตวิญญาณที่ล่องไปล่องมาในตายพบตามอำนาจของบุญของบาปตามอำนาจของกิเลส ต, ตัณหาก็จะไม่มี การถือเนื้อถือตัวให้ต่อไปแล้วก็เหล่ออาวิชากับอุทจฉาอุทจฉาก็เกิดขึ้นจากการที่จะพิจารณาค้นหาอาวิชานี้ว่าอาวิชามันเป็นอะไรยิ่งค้นยิ่งเครียดเพราะค้นแล้วก็ไม่เจอไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรในที่สุดก็ต้องหยุดหยุดอุทจฉาหยุดกันหยุดคน้นพอหยุดค้นปั๊บก็จะเข้าใจอ๋อ ความอยากนี่เองที่ทําให้เราเครียดอยากหาวิชาอยากรู้ว่าวิชาเป็นใครเป็นอะไรอย่างไรพอหยุดปั๊บเนี่ยหยุดเครียดหยุดคน้นหยุดคิดปับ๊บจิตสงบปับ๊บกลับมาสู่ที่จุดที่ควรจะเป็นคือปล่อยวางเอพอจิตปล่อยวางก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในภายในจิตให้หมดไปได้น ก็เห็นอริยสัจขึ้นมาว่าที่ทุกข์ที่ยังเครียดอยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็เพราะยังมีความอยากยังอยากบรรลุอยู่รู้ว่าตอนนั้นมันใกล้จะบรรลุแล้วแต่มันยังรู้สึกมันขัดขาดกันเกินอยู่มันยังไม่เข้าล็อกอย่างนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทําไปทํามาลองผิดลองถูกเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็จะเห็น มาสรุปที่ตัวความอยากนี่ความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าล็อกเข้าลอยยิ่งอยากมันยิ่งไม่เข้าใหญ่พอไม่อยากพ อ, พอหยุดอยากมันเข้าของมันเองโดยอัตโนมัติตัวที่มาอยากนี่มาทำให้มันไม่เข้าล็อกกันจิตไม่เข้าล่องเท่าลอยเข้าสู่ความสงบความปล่อยวางอย่างแท้จริงในที่สุดนันก็จะสาเร็จมันก็จะ ในที่สุดจิตก็จะลงตัวถ้าเหมือนกับทำไอ้ crossword puzzle เนี่ยไ้ทำไอ้พวก puzzle ที่มีภาพต่างๆเป็นจิ๊กซอว์ puzzle เดี๋ยวเจออันสุดท้ายก็รู้เองว่าอ๋อใส่ตรงนี้ปุ๊บภาพก็จะปรากฏขึ้นมาสมบูรณ์ทันทีนะการปฏิบัติของจิตก็เป็นในลักษณะนั้นนะจิตมันยังต้องการรับการจัดการให้มันเข้าล่องเข้าลอย จะเข้าลองเข้ารอยก็ต้องอาศัยปัญญาเนี่ยที่จะคอยเช็คดูตรวจดูให้เข้าตรงนี้ก็ไม่ไม่ยังยังเข้าไม่ได้เข้าแบบนี้ยังเข้าไม่ได้ต้องเข้าแบบนั้นอลองเข้าวิธีเข้าที่ถูกต้องก็คือต้องหยุดความอยากต้องปล่อยวางอยู่เฉยเฉยปล่อยให้มันเข้าล็อกของมันเองไม่ต้องไปจับตัวสุดท้ายนี้ไปจับมันไม่ได้ต้องให้มันเข้าล็อกของมันเอง เพราะจับก็แสดงว่ายังมีตัวต mm. okay. นอยู่ยังมีตัวจัดการอยู่ต้องจัดการตัวจัดการนี้ให้ได้เราปฏิบัติมาเราใช้ตัวจัดการนี้มาได้ทุกขั้นแต่พอมาถึงขั้นสุดท้ายนี้ต้องหยุดไอ้ตัวจัดการนี้เพราะว่้ตัวจัดการนี้เป็นตัวปัญหาไปเสียแล้วเมื่อก่อนเป็นตัวเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาต่างๆพอมาถึงขั้นสุดท้ายไอ้ตัวจัดการนี้กลับเป็นตัวปัญหาเสียแล้ว ต้องปล่อยต้องหยุดได้ตัวจัดการนี้พอหยุดได้ตัวจัดการนี้ปั๊บจิตมันก็เข้าล่องของมันไป ท, ทันทีมันก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้จิตเข้าสู่ความสมบูรณ์ไม่มีความบกพร่องอีกต่อไปภายในจิตไม่มีความอยากไม่มีความหิวโหยไม่มีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไปมีแต่ความอิ่มตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขังตลอดเวลา นี่คือขั้นที่คั้นละอวิชชาขั้นละสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องบ น, นก็ละรูปราลากะละอรูปราลาะแล้วก็มาละมานะแล้วก็ม า, มาละอวิชชาด้วยการละด้วยการให้มันปล่อยวางให้หยุดจัดการกับจิตแล้วก็ตัวฟุ้งซ่านมันก็จะหยุด จิตก็จะเข้าลงลอกทันทีเจ็ตก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วไม่ต้องขุดคุย้ยไม่ต้องจัดการกับตัวจิตอีกต่อไปเจิตมันสมบูรณ์มันอยู่ของมันเองได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้กับมันอีกแล้วเมื่อก่อนต้องช่วยมันต้องช่วยกำจัดกิเลสตัวนั้นตัวนี้ ที่ทำให้จิตใจมันวุ่นวายต่างๆแต่พอมาถึงขั้นสุดท้ายนี่ต้องมาจัดการกับตัวจัดการให้มันหยุดจัดการคือไล่ผู้จัดการออกผู้จัดการเป็นตัวปัญหาของบริษัทจะแล้วทำให้บริษัทไม่สงบเนี่ยพอไล่ผู้จัดการออกไปปั๊บบริษัทก็สงบอ่าะนี่คือ ขั้นของขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมเอาธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นอาการลิโกนี่แหละไม่ต้องบอกว่าโอ้ยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ฟังธรรมจากปากพระพุทธเจ้าไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองนี้ไปนี่ผ่านไม่ได้อันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ทรงเคยตัดเวลา ว, ว่าถึงแม้เธอจะอยู่ใกล้ชิดเราเกาะชายผ้าเหลืองเรา แตถ่ถ้าเธอไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของเราเธอก็เหมือนอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชหรเดี๋ยวถ้าเป็นสมัยนี้ก็ห่างไกลจากเราเป็น 2,500 กว่าปีแต่ถ้าเธอถึงแม้จะอยู่ในยุค 2,500 กว่าปีหลังจากที่เราตายไปแล้วก็ตามถ้าเธอศึกษาคำสั่งคำสอนของเรา ถ้าเธอนำเอาคำสั่งคำสอนที่เธอศึกษาไปปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเธอก็เหมือนอยู่ใกล้เราเธอเหมือนอยู่เกาะติดชายผ้าหลือของเราเพราะไม่ช้าก็เร็วเธอจะต้องมีดวงตาเห็นธรรมคือการบรรลุธรรมก็คือการมีดวงตาเห็นธรรมนี่เองพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าสแสดงว่านี่แหละอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ย ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ห่างกายเราถึง 2,500 กว่าปีแต่พระพุทธเจ้ายังไม่หายไปนะยังอยู่เรายัางสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกวันนี้เเห็นด้วยการเห็นธรรมเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตน่ผู้ที่เห็นตถาคตที่แท้จริงคือผู้ที่เห็นธรรมนั่นเอง ผู้ที่มาเกาะชายผ้าเหลืองมานั่งดูหน้าตาเรานี้ยังไม่ได้เห็นตถาคตเนี่ยเพราะร่างกายของเราหน้าตาของเรานี้ไม่ใช่ตัวต ถ, ถาคตไม่ใช่ตัวพุทธเจ้าเนี่ตัวพระพุทธเจ้าคือตัวจิตที่บริสุทธิ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งมีผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจนทําจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เท่านั้นถึงจะเห็นตัวพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้นะครงั้น พวกเราจรึงไม่ต้องกังวลว่าพระพุทธเจ้าจากเราไปแล้วท่านไม่ได้จากไปผู้ที่จากไปไม่ใช่พระพุทธเจา้าผู้ที่จากไปเป็นร่างกายของพระพุทธเจา้าเป็นคนรับใช้ของพระพุทธเจ้าที่จากไปแต่ตัวพระพุทธเจ้าเองนี้อยู่ในคำสั่งคำสอนผู้ใดศึกษาคำสั่งคำสอนและปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ เดี๋ยวก็จะมีดวงตาเห็นธรรมพอเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้ากันนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองก็คือผู้ที่บรรลุธรรมพระอริยสงสาวกเนี่ยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงสาวก ดังนั้นเมื่อได้เห็นธรรมด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเห็นพระพุทธจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าอยู่ในใจของผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนใจสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมานั่นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไม่ได้มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลาถึงแม้จะหมดยุคของศาสน า, าพุทธยุคนี้แล้วเดี๋ยวก็มีคนใหม่มาเจอความบริสุทธิ์ของใจมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ต่อไป แล้วก็จะมีสาวกมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเห็นจิตใจ ท, ที่สะอาบ่อยสุดมาเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยนี่แหละคือความหมายของคําว่าธรรมะเป็นอาการลึกกรธรรมไม่มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลาอาจจะหายไปเป็นยุคยุคเป็นช่วงช่วงหายไปพร้อม ไม่มีคนศึกษาไม่มีคนปฏิบัตินั่นเองแต่พอมีคนมาศึกษามาปฏิบัติใหม่เดี๋ยวทําก็โผล่ขึ้นมาใหม่ทําไม่ได้หายไปทําเหมือนเพชรที่ฝังอยู่ในดินพอไม่มีใครไปขุดหาเพชร มันก็ไม่มีเพชรปรากฏขึ้นมาให้เห็นท่านั้นเองแต่เพชรก็ยังมีอยู่ในดินอยู่นั่นแหละธรรมก็เหมือนกันบางยุคไม่มีธรรมใช่ไหมบางยุคไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะยุคนั้นไม่มีใครศึกษาไม่มีใครปฏิบัติพอมาถึงยุคของเจ้าชายสิทธัตถะท่านมาศึกษามาปฏิบัติท่านก็เหมือนคนไปขุดเพชรในดินนั่นเอ กดปั๊เดี๋ยวก็เจอแพทโผขึ้นมาเจอธรรมะโผ่ขึ้นมาเจอจิตที่สะอาดบริสุทธิ์โผ่ขึ้นมาจากการศึกษาจากการปฏิบัติยังเรียกตนเองว่าเป็นผู้รู้เป็นพุท ธ, ธะขึ้นมาจิตของพุทธะก็สะอาดบริสุทธิ์จิตของสังฆะก็สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันต่างกันตรงที่พุทธะเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเองส่วนจิตของ บริสุทธิ์ของสังขานี้เกิดจากการศึกษาจากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความบริสุทธิ์ของจิตนี้เหมือนกันจิตบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนทองคำร้อยเปอร์เซนจิตของสาวกก็ เ, เป็นทองคำร้อยเปอร์เซเหมือนกันไม่ต่างกันแต่อย่างไรมีบรมสุขมีปรมังสุขคลังเหมือนกันมีการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันนี่คือ เรื่องธรร ม, มานุภาพธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกดังนั้นต่อไปนี้ท่านอาจจะไม่ได้ดูได้ชมได้ฟังของสดแต่ก็จะมีเอาโพสของของเก่าที่ได้แสดงไว้มาโพสแทนเพื่อให้ท่านจะได้ดูได้ชมติดต่อทุกวันเหมือนเดิมท่านก็เหมือนกับได้ดูของจริงเพราะมันก็เป็นของจริงที่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ ในในวิดีโอนะเท่านั้นเองแต่ทำที่แสดงก็เหมือนกันทุกครั้งที่มาแสดงก็แสดงเรื่องเดียวกันคือแสดงเรื่องวิธีของการดับทุกข์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะมีมากมายกายกองถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมบทก็ตามแต่ทุกบททุกบาทของคําสอนนี้มุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันคือการดับความทุกข์เหมือนกับน้ําในมาหาสมุทร ที่มีมากมายกายกองแต่มีรสอันเดียวกันตักน้ำในทะเลมาไม่ว่าจะไปตักที่ไหนตักที่ญี่ปุ่นตักที่อเมริกาตักที่ฝรั่งเศสตักขึ้นมาเดิมมันก็เค็มเหมือนกันมีรสอันเดียวกันธรรมะคาสั่งคาสอนที่แสดงไว้ก็มีรสอันเดียวกันคือรสของการดับความทุกข์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 ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะฮิโตตินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปายันโทปันารโสยะถามณิโชติอะรา โสยะธาสพิตโยวิวัชันตุสัพปรุโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาตนาสิตทธานิจังวุธาปะจายโนจตารโหธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขัง ต า, ามโบสบทต่างๆที่สหรัฐนี่เขาปิดหมดาศาสนาทุกาศาสนาที่มีการชุมชุมนุมกันเพื่อทำกิจทางาศาสนานี่เขาขอให้ยุติไว้ก่อนเพราะคนที่มาจากต่างบ้านกันนี้อาจจะเอาเอาโรคมาแพร่ให้กันได้ เพราะเวลาทำกิจกรรมต้องทำใกล้กันอย่างที่เกาหลีที่แพทย์ระบาดช่วงแรกๆก็เพราะพวกที่ทำกิจกรรมศาสนานยอยู่ในศาลานั่งกันเป็นห้าร้อยคนเนี่ยตตดกันเนี่ยเตกันไปหมดเลยก็เลยคิดว่าเราอย่าประมาทดีกว่าตอนนี้เราแยกกันอยู่เราจะได้อยู่กันนา น, น, าน <laughs> จะอยู่ใกล้กันนะอาจจะอยู่ไม่นานเราอด <laughs> เขาเรียกอ ด, อดเปรียวไว้กินหวานดีกว่านะตอนนี้ต้องยอมอยู่คนเดียวต้องแยกกันอยู่นะอย่าอยู่ใกล้กันเอนะเราไม่รู้ว่าใครติดเชือ้อไม่ติดเชือ้อเพราะเขาว่าเชื้อนี้บางทียังไม่มีอาการมันก็แพร่ได้นะฉะนั้นก็เลยต้องระมัดระวังแต่ยังเจอกันอยู่ตอนเช้าเขายังไม่ห้ามให้บินทบาย <laughs> ก็ยังพออยากจะคิดถึงกันก็ไปเจอกันที่บินทบาทกันยังมีการถ่ายทอดสดบินทบาทอยู่ยังไม่มีเพราะมันจำเป็นหยุดก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนเ <laughs> หมือนก็เลยเหมือนก็ต้องยอมเสี่ยงแล้วว่าถ้าหยุดก็ตาย <laughs> หยุดก็ตาย <laughs> ก็ต้องยอมะยอมตายก็ต้องกินนะ ก็เลยบินทบายไปก่อนก็ป้องกันยาโยมก็ใส่หน้ากากกันก็แล้วกันก่อนที่จะเอาของก็ทำของอะไรก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะให้มันไม่มีเชื้อเวลาจะทำเตียมอมหาในต่างๆจับใส่ถุงใส่อะไรก็ล้างมือด้วยสบู่หรือใชอน้น้ำยาเช็ดมือเช็ดก่อนแล้วค่อยจับของที่เป็นอาหาร มันจะได้ไม่มีเชื้อโรคติดกับอาหารติดตามถุงเดี๋ยวผ้าหยิบมาก็เดี๋ยวก็ติดอกีกเพราะต้องแกะถุงอะไรกันคราวนี้นําว่าคนที่จะกินอาหารก่อนจะกินเวลาแกะถุงแกะอาหารแล้วเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือก่อนแล้วค่อยกินเพราะว่าอาหารที่เขาส่งมาให้นี่ถึงแม้ใส่ถุงมา คนที่จับไม่รู้ว่าเขามีเชื้อติดมาหรือเปล่ามันก็ จ, จะมีเชื้อติดมากับถุงได้ยันเวลาที่เราเตรียมอาหารใส่จานแกะถุงใส่จานไงก่อนจะกินเนี่ยก็ล้างมือเช็ดมืออีกทีก่อนเพื่อกันเชื้อโรคที่อาจจะติดมากับถุงตอนที่เราแกะต้องรอบครอบหน่อยช่วงนี้เนี่ยวิ จ้งเจรานสติเรียกว่ากายะกะตาสติโดยเฉพาะมือเราตอนนี้ให้มดูมือเราเป็นหลักทุกครั้งที่มันจะมาแตะหน้าแตะตาเรานี่ต้องถามก่อนว่าสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยถ้าจะจับหน้าตาเนี่ยจับจมูกจับปากจับตานี่เช็ดมือก่อนนะเพราะไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคอยู่ในมือเราเปล่าว่าเราอาจจะไปจับประตูไปจับราวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน คนที่ก็มีเชื่อก็ต้องจับลาวจับประตูเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ฝากเชื่อไว้ที่ลาวที่ประตูพอเราไปจับลาวจับประตูเราก็ไปรับเชื่อจากเขามาแล้วพอเราคันหน้าคันตาแล้วก็ไปเก่าไปเก่าก็เอาเชื่อเข้าไปในร่างกายของเราเพรนั้นตัวสําคัญที่มาเอาเชื่อเข้าร่างกายเราก็คือมือของเราเนี่ยแหละ มันไม่มาทางอากาศหรอกนอกจากเวลาไอหรือจามเท่านั้นเองมันก็จะมีน้าที่กระจายออกมาหรือเวลาพูดกํามลังพูดพูดแบบน้ำลายฟูมปากเนี่ยมันก็ <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีน้ำลายออกมาทางอากาศได้แล้วมันก็จะตกไปตามผิวพื้นต่างๆ <c oughs> อาจจะไปตกที่มือแล้วเอาถ้าเรากำลังกินอาหารอย่าอยู่เข้ามาคุยกับเราอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะไปตกบนในจานอาหารของเราก็ได้ ยังต้องระวังอย่าคุยกันคุยก็ใส่หน้ากากไว้ถ้าอยู่ใกล้กันถ้าอยู่ห่างกันสองเมตรก็ไม่เป็นปัญหาเราบอกให้อยู่ห่างกันสักสองเมตรอย่าอยู่ใกล้กันเพราะมันเวลาคุยกันเวลาหายใจหรืออะไรมันอาจจะมีน้ำออกมาทางอากาศได้แล้วอาจมีลมพัดแล้วยิ่งเราหน้าร้อนเราชอบใช้พัดลมด้วย ไปทีไหนก็เปิดพันลมมันก็กระจายฟุ้งไปเลยเนี่ยไอ้น้ําที่ออกมาทางปากทางจมูกเนี่ยเดี๋ยวมันถูกพันลมมันก็แพร่ไปขนสูดสูดนมหายใจก็อาจจะสูดไอ้น้ำที่ออกมาจากร่างกายของคนอื่นอีงเนี่ยฉันใส่หน้ากากมันก็ดีอ่ะแต่เราไม่ได้ใส่เพราะหายใจไม่ออกพราเราอยู่คนเดียวเราก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ไปใกล้ใครไม่ได้อยู่กับใคร แล้วก็ยอมว่าถ้ามันจะต้องเป็นก็ต้องเป็นอะก็เป็นไปตามบุญตามกรรมร่างกายมันก็ถึงเวลามันก็ต้องเป็นไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ใจไม่เครียดก็แล้วกันเป็นก็เป็นดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคาถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ก็เดี๋ยวเ ล, เลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องทำอะไรอย่างอื่นอีกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่เจ้าค่ะทางเฟ c e b o o ห้าร้อยส u b e ิบสองยทสามร้อยเจ็ดสิบสองวิออนไลน์สิบรับฟังบนข่าวหกสิบสองรวมทั้งสิ้นเก้าร้ยแปดสิบหกท่านเจ้าค่ะ คนติดตามทางบ้านอย่างเยอะอยู่คนมาที่นี่ลดลงควบภาพปกติวันเสาร์อาทิตย์ต้องร้อยกว่าสองร้อยวันนี้เหลือแค่หกสิบเหมือนวันปกติวันเลยก็ดีแสดงว่ามีความรับผิดชอบเก็บตัวกักตัวเองอย่ า, อาไปที่ชุมชนอย่าไปคุกคีกันะ ม, ม, มีคําถามว่า เ, เชิญถามได้ มีคำถามจากคุณธิดาเจ้าค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าเปรียบเทียบการภาวนาเป็นเหมือนระบบการศึกษาถ้าต้องการผ่านชั้นทุกคนต้องผ่านกนรารพิจารณาอสุภะเพื่อเลื่อนชั้นยมเข้าใจถูกไหมคะก็ต้องทำข้อสอบที่ทำให้เราทุกเน ข้อสอบที่ทำให้เราทุกข์ก็คือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นเรายังไปรักไปชอบร่างกายของเรายังไปรักไปชอบร่างกายของคนอื่นเราก็เลยไม่อยากให้เขาเป็นอะไรพอเขาเป็นเราจะเดือดร้อนเราเลยไม่อยากให้มันเป็น แต่ความจริงเราไม่เดือดร้อนหรอกถ้าเราไม่ไปพึ่งเขาถ้าเราพึ่งอย่างอื่นได้เราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราพึ่งความสงบได้มีความสุขจากความสงบเราก็ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายของเราไม่ต้องไปพึ่งร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับเราแล้วพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอสุภะเราก็ไม่เอาเลยเลิกพึ่งได้เลยคำถามจากคุณทิติการค่ะ ลมคือรูปลมคือกายพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นะคะสามารถเข้าวิมุมติได้กับขอภัยค่ะอีกคำถามหนึ่งจ้าค่ะคำถามจากคุณพิธิเชษการที่ผมยังโพสต์เฟซบุ๊กในงานบุญต่างๆแล้วมีเพื่อนในเฟซบุ๊กมาถูกใจผมรู้สึกชอบใจพอใจแต่เพื่อนที่ไม่แสดงความเห็นถูกใจกับผมรู้สึกว่าไม่พอใจยังถือว่าผมยังติดในโลกกระมแปดไหมครับ ติดและเสติดสันเสริญไงพอไม่ได้สันเสริญก็ทุกข์แล้วอยากได้สรนเสริญพอไม่ได้สรรเสริญก็ทุกข์พอได้สรนเสริญก็ดีใจคนที่ไม่ติดจะเฉยสันเสริญก็เฉยไม่สันเสริญก็เฉยเรื่องของเขาไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาคำถามจากคุณปริชาติค่ะ พระอรหันท่านยังมีความรู้สึกจะปวดทางร่างกายอยู่ไหมคะเช่นปวดฟันเมื่อฟันผุหรือเจ็บเมื่อถูกมีดบาดเจ้าคะมีเหมือนกันนะร่างกายของพระอรหันต์ก็เป็นร่างกายของปุถุชนมาก่อนไม่ได้เปลี่ยนไปร่างกายไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเป็นพระอรหันต์ตามจิตใจร่างกายก็ยังเจ็บปวดท้องก็ยังปวดท้องอยู่ปวดหัวก็ยังปวดหัวอยู่แต่ใจไม่ปวดตามเท่านั้นเองเวลาร่างกายปวดท้องถ้าเป็นพระ พ่ออรหันจะไม่ปวดท้องไม่ใจไม่ปวดไปกับการปวดท้องแต่ถ้าเป็นคารวะเป็นปุตุชนยังไม่ได้บรรลุธรรมนี่จะปวดไปกับการปวดท้องด้วยคำถามจากคุณสุขใจค่ะเวลาพิจารณาสิ่งที่กังวลควรพิจารณาอย่างไรดีคะก็พิจารณาว่าสิ่งที่กังวลเราเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้หรือไม่เช่นเรากังวลกับร่างกายของเรา เราแม้เรากังวลกับความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายของเราเราควบคุมมันได้หรือไม่สั่งมันไม่ให้มันเจ็บไายได้ปว่วยได้หรือไม่ถ้าสั่งไม่ได้ไปไปอยากให้มันไปอยากไปควบคุมมันก็จะทุกข์เท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมรับความจริงควบคุมมันไม่ได้หรือได้เท่าที่เราทําได้ทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปเท่านั้นแต่ถ้ามันจะเป็นขึ้นมาก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป ใจก็จะไม่ทุกลต้องพิจารณาตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ว่ามันเป็นใตรักว่าเราไปห้ามมันไม่ได้คำถามจากคุณประสิทธิ์ค่ะซื้อนกมาจากเขาที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วมาเลี้ยงดูเผื่อจิตใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นจะเป็นบาปไหมครับถ้าเลียเล้ยงเลี้ยงสัตว์ก็ไม่บาปเนะีย เลี้ยด้วยความเมตตาก็เป็นการแผ่เมตตาให้ความสุขกับสัตว์แต่อาจจะอาจจะเมตตาแบบมีมีเงื่อนไขคือต้องอยู่ในกรง ถ้าเมตตาจริงก็ต้องเปิดกองเปิดประตูวไว้ถ้าเขาอยากจะอยู่ในกองเขาอยากจะกินอาหารก็ให้เขามากินถ้าเขาอยากจะไปเที่ยวก็ปล่อยเขาไปเที่ยวเออเขาอยากจะมีอิสระถ้าเขาไปได้แฟนเขาจะไม่กลับมาก็ปล่อยเขาไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเมตตาเต็มร้อยแต่ถ้าเมตตาแบบขังอยู่ในกองนี้ยังเป็นเมตตาห้าสิบอยังหึงอย่างหวงอยู่ ถ้ามันถามจากคุณวีรพลกับนมาสการครับผมการที่รู้ตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวไหมครับคำว่ารู้อารมณ์นี้ไม่ไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไรคืออารมณ์มันก็ต้องรู้ว่ามันมีมันไม่เที่ยงมันควบคุมบังคับไม่ได้มันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยวางให้รู้เฉยเฉยไม่ไปทุกข์กับมันถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ถ้ารู้ว่าอารมณ์แล้วแต่ใจยังไปทุกข์กับมันอยู่แสดงว่ายังไ ม, ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเช่นอารมณ์ไม่ดีก็ไปทุกข์กับอารมณ์ไม่ดีอยากให้มันดีอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ไม่ดีก็ปล่อยมันไปให้รู้ว่ามันไม่ดีไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้แต่ไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปอยากให้มันดีมันไม่ดีก็ให้มันไม่ดีไป คำถามจากคุณอภิวัตรค่ะเวลาฟังธรรมะแต่ชอบคิดเรื่องอื่นแทรกทำอย่างไรดีครับสติยังมีไม่พอไงก็ต้องบังคับดึงมันกลับมาให้ฟังธรรมต่อพยายามบังคับให้มันอยู่กับธรรมคำถามจากคุณอ้นเจ้าค่ะดิฉันมีสามีเวลาสามีไปทำผิดศีลธรรมหรือมีเรื่องให้ไม่พอใจกัน ดิฉันต้องโกรธมากๆตลอดแต่ไม่สามารถหลุดพน้นจากเขาเพราะเหตุใดคะก็เพราะยังรักเขาอยู่เลยยังต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเราอยู่ถ้าอยู่คนเดียวก็ทุกข์อยู่กับเขาอย่างน้อยถึงแม้จะทุกข์ก็ยังมีสุขบ้างสุขจากเวลาที่เขาดีกับเราแต่เวลาเขาทำอะไรเมื่อเราไม่ถูกใจเราก็ไปทุกข์กับเขาฉะนั้นเราก็ต้องทาใจอย่าไป อย่าไปอยากให้เขาทําตามที่เราอยากก็แล้วกันคิดว่าเขาเป็นส้มก็ปล่อยให้เขาเป็นส้มไปอย่าให้เป็นกล้วยไม่ได้อย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยเขาชอบไปทําผิดศีลก็ปล่อยเขาทาไปเรื่องของเขาอย่าไปให้เขาไม่ทําผิดศีลมันก็ทําไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ดังนั้นอย่าไปเปลี่ยนเขาพูดง่ายๆยอมรับเขาแล้วเราอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขตลอดไม่มีความทุกข์นะค คำถามจากคุณขวัญข้าวค่ะพ่อหนูติดยาบ้าทําอย่างไรถึงจะเลิกได้คะพ่อหนูสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาทุกวันจะทําให้พ่อเลิอกอยาได้ไหมคะอ๋อไม่ได้แล้วการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเรื่องของเราเหมือนกินข้าวเรากินแทนพ่อไม่ได้นะถ้าอยากจะให้พ่อสวดมนต์นั่งสมาธิก็ชวนพ่อมานั่งสมาธิมาสวดมนต์กัน ถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิจิตสงบได้ก็อาจจะเลิกยาบ้าได้คำถามจากคู้ไม่ประสงค์นามค่ะอยากถามพระอาจารย์ค่ะว่าคำทำนายในอนาคตที่ว่าเดือนต่างๆจะเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นน้ำป่าไหลาหลาจะช่วงกรุงเทพมากกว่าที่เคยท่วม และคําทํานายอีกหลายๆอย่างที่ฟังดูแล้วหดหู่ซึ่งผู้ที่ทํานายที่ผ่านมาไม่เคยทํานายผิดเลยเราควรป้องกันหรือวางใจรักษาใจอย่างไรคะก็ต้องยอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็เกิดอยู่ในโลกของที่ไม่มีความแน่นอนมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีสุขมีทุกข์จะให้มันสุขอย่างเดียวให้มันจเจริญอย่างเดียวก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เ ก็ต้องเตรียมตายรับกับมันไปอย่างมากก็แค่ตายเพราะยังไงไม่มีคำทำนายมันก็ตายเหมือนกันมันไม่ได้ตายด้วยโรคภัยต่างๆมันก็ตายด้วยความแก่ความชราตายเพราะหมดแรงหายใจค <laughs> ำถามจากคุณแพนด้าเจ้าค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเวลาเรานั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถือว่าได้บุญไหมคะหรือจะได้บุญก็ต่อเมื่อเรานั่งจ น, จนจิตสงบจริงๆถึงจะได้บุญค่ะนั่นแหละต้องจิตสงบจริงๆบุญระดับสมาธิน้องจิตต้องรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกภพก็ตาเป็นเป็น อยเบขาสักแต่ว่ารู้แล้วก็มีความสุขมากๆ น, นั่นนหละถึงจะเรียกว่าบุญช่วงที่เรานั่งนี้เป็นเหมือนช่วงที่เรากําลังสร้างบุญแต่ยังไม่เกิดบุญต้องต้องนั่งไปจงกว่าจิตจะรวมจิตถึงจะได้ผลถึงจะได้บุญหมดนั่นแหละการนมันสการพระอาจารย์ครับเคยถามพระอาจารย์ผ่านทางไลน์มาครับ เรื่องของการเพ่งความร้อนแล้วก็พระอาจารย์แนะนำว่าให้เผาในร่างกายได้ปฏิบัติตามครับแล้วก็คือพอเราเพ่งไปที่ขาหรือหัวเขา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็่นไม้ดีกว่าไม้ตัวนี้ไม่ไปเลนี่ยเนีแ่แปพอเราเพ่งไปที่ขาครับหรือหัวเขา่าความร้อนเกิดขึ้นเป็นไอความร้อนขึ้นมาทีนี้ตัวเขาเนี่ยจะเลื่อนไปเรื่อยๆ อ, อยากจะทราบว่า เราควรที่จะเพ่งอยู่ที่ตรงนั้นหรือเลื่อนตามไปดูเขาครับถ้ามันเลื่อนก็ต้องเลื่อนตามไปถ้าเราดูเขาครับเอแล้วถ้าเราทําได้คือขยายให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนไฟเผาเราเป็นทั่วร่างกายจนร่างกายของเราไหม้มอดไปเหลือขี้เท่าอันนี้เราต้องสร้างภาพขึ้นมาในใจเราต้องนับเป็นภาพขึ้นมาอแล้วมันจะ ถ้าใจมันเพ่งได้ขนาดนั้นจนถึงขั้นที่ร่างกายกลายเป็นขี้เท่าไปมันก็จะปล่อยวางร่างกายมันจะเห็นชัดว่าร่างกายนี้เป็นดินเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เรานั่งอแล้วมันก็จะสงบจะเย็นจะสบายจะเบาขออีกหนึ่งคาถามครับอาจารย์<อ>ตะกี้ที่พระอาจารย์พูดเรื่องเพ่งอสุภะ คือสิทธิ์เคยฝึกวิธีนี้ครับตอนที่ดูในไลฟ์พอเราเพ่งมาที่ร่างกายเรานึกว่าเป็นน้ำเลือดน้ำหนองอคือข้างในรู้สึกขึ้นไส้เหมือนจะอ้วกทีนี้เราควรจะจะไปยังไงต่อครับถ้าขึ้นไสก็ต้องหยุดก่อนกลับมาทำสมาธิก่อนแสดงว่าจิตเราไม่เป็นอุเบกขายังมีความรักชังอยู่ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วมันจะดูแล้วเฉย เราต้องการดูภาพให้จดจำไว้เพื่อที่เราจะมาใช้ตอนที่เราเกิดความอยากขึ้นมาถ้ายังดูไม่ได้ก็พักไว้ก่อนกลัมาทาสมาธิก่อนแล้วสมาธิอุเบกขามีกำลังน้อยต้องมาเติมอุเบกขาก่อนให้จิตรวมนานๆแล้วพอจอากสมาธิมาก็พิจารณาเพ่งใหม่มันจะไม่มีอาการมันจะเฉยๆ หนูจะถามเลยเข้ามาใกล้ๆหน่อยขอขอโอกาสเจ้าค่ะก็ะ<อ>คือโยมก็พยายาม ท, ทําที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านท่านชอบพูดว่าเป็นเป็นไม่ใช่มือเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะก็ทําที่ดีเท่าที่ตอนนี้จะทําได้คือต้องทํางานนะคะเลี้ยงชีพตัวเองก็เอาคําสอนของท่านมาปฏิบัติแต่คือคิดตัวเองนะคะว่าอย่างเช่นอย่าง ในประวัติศาสตร์ก็เขียนไว้แล้วว่าอย่างบางกษัตริย์บางองค์เนี่ยพอท่านแก่มาเนี่ยท่านก็ไปไปไปบวชใช่ไหมคะก็คือแค่อยาอยากจะอธิบายว่าคือที่ครูบาอาจารย์หลายองค์ที่โยมไปเป็นลูกศิษย์เนี่ยคือคำสอนของท่านเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแอพพลายได้ร0อเปอร์เซ็คือต้องมีอุบายเยอะมากจนแบบโยมแบบ บางทีก็เหนื่อยมากอย่างเช่นตอนเช้าสวดมนต์ทำว่าเช้าเนี่ยคือยมไม่เวลายงก็เลยไปทำว่าช้าที่ที่ BTS เอสเลยไงค่ะก็คือนั่งบีทีเอสไปตอนเย็นเหนื่อยมากก็คือแบบอีทีพิโซก็ไม่ค่อยอยู่ค่ะก็เลยต้องใช้แบบเอาบังค้าให้มันหลับไปก่อนเลยแบบยังไงก็ได้คือมันแต่ละวันคือมันเหนื่อยมากจนบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นข้ออ้างแต่พอถ้าเกิดไม่บอกเป็นข้ออ้างมันก็เอาไม่อยู่ค่ะก็เลย อยากจะให้ท่านแนแนวแนวแบบหรือว่ามันเป็นวระาาจิตของลักษณะนี้ที่แบบจะต้องอธิบายจะต้องสอนจะต้องหาอุบายมันตลอดอะคะ่ะ อ, อ๋อไม่หรอกก็ทำงานมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาเองก็ต้องทำให้น้อยลงเลยลดค่าใช้ใจ่ายให้น้อยลงมักน้อยสันโดษจะได้ลดงานให้ทำให้น้อยลง มันก็จะได้ไม่เหนื่อยมากจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้เป็นเพราะงานเลยใช่ไหมเราต้องเลือกอทำเลยเอต้องเลือกก็ต้องลถ้ายังเลือกไม่ได้ก็ลถไปก่อนทําสักครึ่งหนึ่งหางานแบบที่เราเลือกเวลาทําได้เช่นขายตรงอะไรอย่างนี้เราก็เลือกออนไลน์เลือกอะไรทำนองนี้ เราก็จะไม่ต้องเดินทางมันก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ทําที่เก่าไปแล้วอาจจะขอขอทําให้น้อยลองขอลดเงินเดือนอะไรทํำนองนี้ไปจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้ถ้าเด็ดขาดก็ลาออกจากงานไปเลยนี่มีวันมีที่จะว่างทั้งวันนะนี่จะไม่มีเวลาเหนื่อยแล้วแต่ไม่ใช่เวลาขี้เกียจไม่อยากจะทำเท่านั้นนะ คำถามจากคุณสัวพัฒน์เจ้าค่ะการละสักกายะทิฏฐิกับการละอัตตาตัวตนต่างกันอย่างไรเจ้าคะสักกายะทิฏฐิมันเป็นการยึดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราส่วนอัตตาตัวตนนี้เป็นการยึดความรู้สึกนึกคิดที่ยังเลือกสึกนึกคิดว่าเรายังเป็นตัวเป็นตนอยู่ถึงแม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนก็ไปยึดติดกับจิตว่าเป็นตัวเป็นตนแทนอคนละตัวกัน คำถามจากคุณสุพันษาอยู่กับสามีทุกวันทำไมเวลาสามีพูดกับเราไม่เพาะคะแต่เวลากับคนอื่นสามีเราพูดเพราะคะ่ะก็เพราะของเก่ามันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ใหม่ๆมันก็น่าตาจุ้มจิมข <c oughs> องเก่ามันก็เคลนสนิม <c oughs> หนูก็ต้องทำให้ตัวเองให้ใหม่อยู่เรื่อยๆสิ คอยแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าท า, าปากนี่พอได้แฟนมาแล้วหนูก็ขี้เกียจใช่ไหหนูไม่ยอมแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าท า, าปากตอนที่ตอนที่หนูเป็นโสดเนี่สังเกตุคนเวลามีสามีแล้วมกักจะละเลยหน้าที่ไม่สนใจเรื่องเสริมสวยความงามนะแต่พออย่ากันหรือแยกทางกันปั๊บเดี๋ยวกลับมาเสริมสวยความงามใหม่แะพอรู้ว่าต้องหาของใหม่ ของเก่าไม่มีแล้วเอถ้ายังมีของเก่าอยู่ก็ไม่ต้องดิ้นหลนใช่ไหมเขาก็เลยเบื่อเราไงเขาก็เลยไม่อยากจะคุยกับเราแล้วเวลาเราคุยกับเขาแล้วก็คงไม่จ้จ๋าเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันใช่้หมอ่มันก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยทางโลกมันเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าอานิจจังเนี่ยความกล้ามมืสุกมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอานิจจังมีเจราน่ะเดี๋ยวมันก็เสื่อมอ่ คำถามจากคุณสุภชัยค่ะรอยพระพุทธบาท ต, ตามที่ต่างๆที่คนไปนมัสการกันเป็นรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าจริงไหมคะเป็นความเชื่อมากกว่าเพราะในประวัติยังไม่มีการแสดงว่าพระพุทธเจ้ามาประเทศไทยมาเหยียบก้อนหินก้อนนี้ก้อนนี้เป็นเรื่องของความเชื่อก็ไม่ลบหลู่นะ เขาอยากจะเชื่อก็ปล่อยเขาเชื่อไปไม่สำคัญเนีเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่รอยพระบาทมันอยู่ที่การศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นสาระสำคัญของศาสนาการ จ, จะมีรอยพระบาทหรือไม่มีรอยพระบาทมันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำให้คนเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คำถามจากคุณคุณ น, นทัศกับนักวิชาการพระอาจารย์ครับการฟังเทศขณะทางานพิมพ์เอกสารหรือขณะขับรถ เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ครับผมฟังเทศของพระอาจารย์ขณะทางานเกรงว่าจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมครับก็เป็นการขโมยเวลาทำงา น, นก็ถือว่าผิดศีลข้ 3, ขขอสามแล้วก็อ่าฆ่าถินนาทลางานก็ต้องทางานให้เต็มร้อย ฟังธรรมก็เอาเวลาของเราเวลาที่เราว่างจากภารกิจการงานขับรถฟังธรรมไปมันก็จะไม่ได้อยู่กับการขับรถเต็มร้อยเกิดมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาอาจจะแก้ไม่ทันคำถามจากคุณอาจารย์เจ้าค่ะจิตรวมคืออาการอย่างไรคะก็ต้องพุทโธดูถึงจะรู้พุทโธพุทโธไป รวมแล้วเหมือนจะตกลงมาจากที่สูงวิบลงไปแล้วก็เน่งเย็นสบายขึ้นมาสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอันนี้ต้องพยายามขยันพุโทโธพุโทโธไปเจริญสติไปนั่งสมาธิหลับตาไปเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันเข้าล็อกของมันเองคำถามจากคุณพ์รบกวนถามพระอาจารย์ครับถ้าต้องยกเลิกงานบวช เพราะโรคระบาดนี้จะส่งผลเสียอะไรไหมครับเพราะเอ่ยคำว่าบวชออกไปแล้วทำไม่ได้ก็บวชแบบไม่ต้องเชิญคนไปก็ได้มันบวชไม่จะไม่เกี่ยวกับแขกเกลืออะไรบวชก็เกี่ยวกับพระสิบรูป ก, กับเรานั่นเองทำไมเราบวชเราไม่ได้ทำกุ๊กทำการส่งให้ใครคนที่ไปงานบวชเรามีแค่สามสี่คนนั่นเองคนที่ใกล้ชิดคนครอบครัวในครอบครัว แต่คนอีกคนเราบวชหน้าคู่อีกคนนี้เขาบวชสิบห้าวันเขาเป็นลูกนายพลเขาแจกการคนมาเป็นร้อยแต่บวชแค่สิบห้าวันถ้าบวชจริงๆนะไม่ไม่มีการจัดงานไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าบวชมีงานที่ไหนเนะพระพุทธเจ้าบวชหนีหนีไปบวชใช่ไหมเหตุการบวชนี้เป็นการเปิดประตูเข้าสู่การปฏิบัติสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติ ถ้าบวชแล้ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติบวชเพื่อมาถ่ายรูปติดไว้เป็นที่แล้วนื่ก็ไม่ได้อะไรบวชหรือไม่บวชก็เท่ากันคำถามจากคุณกรหัตไทยกาบนามัสการพระอาจารย์สามีฝากถามค่ะอ้างอินคำถามที่นั่งสมาธิแล้วตัวร้อนลุกเป็นไฟซึ่งเป็นการเจริญปัญญาในขณะที่นั่งสมาธิใช่หรือไม่ครับและเป็นข้อห้ามหรือไม่ พระอาจารย์เคยกล่าวว่าไม่ควรการเจริญปัญญาต้องออกจากสมาธิก่อนใช่ไหมครับคือการนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบถ้าต้องการใจสงบก็พิจารณาไม่ได้นะนอกจากใช้การนพิจารณาเพื่อทําใจให้สงบก็พิจารณาได้ แต่ถ้าพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาก็ทำได้แต่จะไม่ได้ความสงบมันก็เลือกเอานั่งนั่งได้สองแบบนั่งให้เกิดปัญญาหรือนั่งให้เกิดสมาธิแต่เบื้องต้นคนส่วนใหญ่นี้นั่งเพื่อให้เกิดสมาธิก่อนเพราะถ้ายังไม่มีสมาธิไปทางปัญญาไม่ได้เหตนั้นจึงแนะนาว่าช่วงที่ทาสมาธิอย่าเพิ่งไปพิจารณาทางปัญญา แต่ถ้าได้สมาธิแล้วเวลานั่งสมาธิจะพิจารณาทางปัญญาก็ได้เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเห็นอสุภะเห็นอะไรต่างๆเนี่ยก็พิจารณาได้ในขณะนั่งก็ได้ในขณะเดินก็ได้ในขณ ะ, ะยืนก็ได้ปัญญานี้ทําได้ทุกสีเรียบทเนี่ยาำถามจากคุณวสชวัตรขอโอกาสสอบถามครับ เห็นพิกษุออกทุดงไปในที่อันตรายบางองค์มรณภาพในถ้าในป่าจากการไม่พบเจอจากการพบเจอภายหลังการทุดงสำคัญอย่างไรครับปัจจุบันกับพบเสือในป่าไทยแล้วนะครับ ก, การไปทุดงนี้เป้าหมายหลักก็คือไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อจะได้มีเวลาถ้ายังไม่มีสติจะได้เจริญสติได้สมาธิได้ง่ายแล้วถ้าได้สมาธิแล้วอยากจะเจริญปัญญาแล้วอยากจะพิสูจน์ว่าปัญญานี้เป็นปัญญาจริงหรือไม่ก็ต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ที่น่ากลัวเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่า ปัญญาปล่อยวางขันได้หรือเปล่าปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารได้หรือเปล่าต้องมีภัยมากระตุ้นให้เกิดความทุกข์แล้วใช้ปัญญาดับความทุกข์นั้นได้หรือเปล่าถ้าดับได้มันก็บรรลุธรรมได้ถึงต้องไปทุ่ดงไปแยกไปอยู่ในปา่าในที่น่ากลัว คำถามจากคุณดิศยาค่ะเวลาจะฝืนความอยากให้หายไปส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะให้หักดิบเลยฝืนจนกว่าจิตจะยอมแต่ถ้าความอยากบางอย่างที่เราฝืนไม่ไหวเช่นอยากออกไปขับรถเที่ยวเราสามารถค่อยๆลดไม่ทำตามความอยากแทน ดไ ด, ไได้ได้ทั้งสองวิธีเนี่ยเป้าหมายก็ขอให้มันเลิกให้ได้ก็แล้วกั น, นถ้ายังเลิกแบบหักดิบไม่ได้ก็เลิกลดมันไปก่อนคำถามจากคุณอ้นกราบนมัสการถามค่ะบางครั้งจิตนึกคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาเองตอนอยู่ในห้องน้ำแล้วเราสวดตามจะเป็นบาปไหมคะไม่บาปว่าถ้าสวดภายในใจ อย่าส่งเสียงแล้วกันมันจะไม่สุภาพมันจะไม่เรียบร้อยมันไม่เหมาะสมเท่านั้นเอง <c oughs> คำถามจากผู้ไม่ประสงนมค่ะขนาดเกิดโรคระบาดเหมือนมีความรู้เลยว่าหมอวินิจฉัยเป็นโรคกำลังจะตายรู้สึกวิตกกังวลมากจนบางครั้งซึมเศร้าพยายามพุทโทรใจก็ซึมซึม บางครั้งค่ะหนูพยายามฝึกคิดว่าร่างกายอย่างไรก็ตายแบบนี้ทำได้ไหมคะหรือว่าควรฝึกอย่างไรคะอย่างไรก็ได้พุโทโธก็ได้ปงก็ได้ว่าอย่างไงก็ต้องตายขอให้ดูที่ผลกันละ ก, ละกละันว่ามันจะเกิดหรือเปล่าถ้าเกิดความทุกข์ใจจะหายไปใจจะสงบใจจะเฉยใจไม่วุ่นวายกับความเจ็บความตายใช้ได้ทั้งสองแบบถ้าปงได้มันจะเป็นแบบท้าวร ถ้าพุโทโธมันก็เป็นแบบช่วคราวถ้าหยุดพุโทโธเดี๋ยวก็กังวลขึ้นมาได้แต่ถ้าปองปั๊บพวนี้มันไม่มีควันที่จะมากังวลอีกต่อไปพอยอมตายแล้วทีนี้มันปัญหามันหมดไปอย่างท้าวอนคำถามจากคุณยุพินค่ะถ้าเราทำสมาธิแล้วเห็นนิมิตว่าเราเป็นคนผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างบางครั้งเป็นสัตว์บ้าง อันนี้ถือว่าระลึกชาติได้ไหมคะไม่รู้ว่าใช่หรือไม่อาจจะเป็นความคิดปรุงแต่งของเราเองก็ได้เห็นอย่าไปสนใจดีกว่าเพราะว่า น, นี่ไม่ใช่ทางไปสู่ความสงบทางไปสู่ความหลงได้เห็นถึงแม้จะเป็นความจริงมันก็ไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปใช้ในการกาจัดกิเลสตัณหาอย่าปล่อยให้มันปรุงแต่งให้มีอยู่ให้นั่งเราต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไปตลอดเวลา อย่าหยุดหยุดแล้วเดี๋ยวจิตนั้นก็จะเริ่มออกฤทธิ์ออกเด่น อ, อ, อย่างที่เห็นอยู่เนี้ยแล้วมันจะพาให้เราหลงทางได้คำถามจากคุณกระต่ายน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะจากข้อที่พระอาจารย์ตอบว่าให้เราแต่งเนือ้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปาก เพื่อที่คนของเราจะได้ให้แฟนรู้สึกใหม่ตลอดแต่ดิฉันตั้งแต่เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆการ่งหน้าทาปากแทบจะไม่ค่อยทำเลยแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีให้มันดีทั้งทางโลกทางธรรมแค่สงสัยนะคะพระอาจารย์ขอโทษค่ะถ้าคำถามไม่เหมาะสมครับมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแหละว่ามันขัดกันแล้วเหยียบเรือสองแคมไม่ได้แ้่บางช่วงมันไปทางเดียวกันก็เหยียบได้ แต่พอมันเริ่มแยกไปคนละทางเราต้องเลือกทางแล้วว่าจะไปทางธรรมหรืออย่างจะไปทางโลกถ้าไปทางธรรมแล้วก็ทําใจเขาจะจ้จ้ากับคนอื่นก็เรื่องของเขาเขาจะถือว่าเราเป็นชนิมเก่าๆก็ๆปล่อยปล่อยเขาถือไปเราก็อย่าไปแคร์เขาอย่าไปสนใจเขาเรามาถ้าเราต้องการทำเราก็ต้องปล่อยวางอย่างอื่นแต่ถ้าเรายังปล่อยวางอย่างอื่นไม่ได้เราก็จะทุกข์ถ้าเราต้องการทั้งสองอย่าง คำถามจากคุณสาธิตขออนุญาตถามครับสมาธิจิตไม่นิ่งเกิดจากสิ่งห้าไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับไม่หรอกเกิดจากการสติไม่มีถนะ้ามีสติเนะี่ย มันนิ่งพอมีสติศีห้ามันก็ตามมาเองตอนที่นั่งในถ้านั่งเฉยๆมันก็มีศีห้าแล้ว ต, ตอนนี้ทุกคนที่นี่อยู่นี้ก็มีศีห้ากันทั้งนั้นถ้ามีสติมันก็อยู่เฉยๆได้กายวาจาสงบมันก็มีศีห้าถ้ามีสติมากก่อนนั้นก็ทําให้จิตสงบด้วยจิตสงบก็เป็นสมาธินิ่งได้งั้นอย่าไปสนใจเรื่องศีลเลยตอนที่เรานั่งให้มีสติเป็นหลัก ตอนที่เราไม่นั่งอ่ะควรจะไปดูศีนว่าเรารักษาศีนอยู่หรือเปล่าเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวมีการพูดมีการกระทํานี่ต้องต้องใช้ต้องดูศีลด้วยแต่ถ้าเราเวลาเรานั่งนี้ดูสติเป็นหลักเพราะศีนไม่มีปัญหาแล้วตอนที่เรานั่งนะปัญหาอยู่ที่ตัวสติหมดแล้วยังแต่สุดท้ายนะเอาแล้วนะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิดแล้วก็รักษาตัวให้แข็งขกาดปลอดภัยจากโรคภัยอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเริฐ